ชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระธรรมปิฎกปออปยุตโตตอนที่45สหมาคุยกันต่อได้พูดไปแล้วในเรื่องอริยสัจเป็นหลักการสำคัญและก็ได้พูดถึงข้อที่หนึ่งนี้ก็ในกรณีของเรานี่ก็จะเน้นในเรื่องภาคปฏิบัติ ถ้าปฏิบัติก็จะมาอยู่ที่ข้อที่สี่ใช่ไหมครับเพราะว่าได้พูดกันในเรื่องหลักการกว้างๆแล้วว่าข้อหนึ่งทุกขเป็นเรื่องของสิ่งทั้งหลายทั่ ว, วไปที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนะซึ่งจะต้องปฏิบัติต่มมาให้ถูกต้องก็ต้อง มีความรู้จักเข้าใจมันตามความเป็นจริงทุกก็ต้องปริญญาแล้วก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องโดยไม่ให้เป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าตัณหาที่ทำให้เกิดทุกข์อันนี้ตัวความสัมพันธ์ที่ผิดก็เกิดจากภาวะในจิตใจของเราเองที่ขาดปัญญาเอาแต่ความปรารถนาความต้องการแล้วเข้าไปยึดไปหมายมั่นต่อสิ่งเหล่านั้นตามความอยากความปรารถนาของตนเอง อันนี้เรียกว่าสมุททยสมุทัยนั้นก็จะต้องกำจัดละเสียเมื่อกำจัดละเสียน่มันก็จะเกิดกระบวนการที่ถูกต้องเป็นการปฏิบัติต่อธรรมชาติหรือสิ่งทั้งหลายแม้แต่ชีวิตของตนเองอย่างถูกต้องก็จะบรรลุชีวิตที่ดีงามเป็นนิโรดนิโรดก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้เป็นจริงขึ้นมา ด้วยการเข้าถึงหรือจะเรียกภาษาพราะวะทธรรมให้แจ้งนี่ก็เพราะเหตว่ามนุษย์นี้ก็โดยนิสัยความเคยชินและจากฐานที่ตัวไม่มีความรู้เข้าใจก็เรียกว่ามีอวิชชาแล้วก็เอาจากความปรารถนาตัวเองเขาว่าดำเนินชีวิตผิดพลาดเพื่อจะให้ได้ผลในการที่แก้ไข การดำเนินชีวิตที่ผิดพลาดและให้มีการดําเนินชีวิตที่ดีงามเราก็มีการดำเนินชีวิตให้ถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงนั้นซึ่งก็จะต้องอาศัยกระบวนการฝึกฝนเมื่อเราฝึกฝนเราก็จะมีชีวิตที่ดีงามขึ้นมามีทั้งพฤติกรรมที่ดีงามแล้วก็มีจิตใจที่เอื้อนะต่อชีวิตที่ ดีงามและมีความสุขแล้วก็พัฒนาปัญญาความรู้ความเข้าใจที่จะเป็นองค์ประกอบสําคัญให้ดําเนินชีวิตได้ถูกต้องไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นหรือว่าให้สัมผันธ์กับสิ่งทั้งหลายทั้งชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยไม่เกิดปัญหาไม่เกิดความทุกข์ก็คือว่าต้องมีศีลสมาธิปัญญาซึ่งนี้ก็คือตัวเนื้อหาการดําเนินชีวิตของเราเป็นภาคปฏิบัติ เป็นข้อที่4เรียกว่าเป็นมักนะมักนี้ก็เป็นภาคปฏิบัติต้องรูมือทำคือการดำเนินชีวิตที่แท้จริงก็อยู่ที่ข้อ4ในีสำหรับข้อนี้เราก็มาเน้นที่เราพูดกันไปแล้วก็คือเรื่องของการฝึกหรือการเรียนรู้แล้วก็ศึกษาพัฒนาชีวิตของเราเนี่ยให้มันเป็นชีวิตที่ดีงามซึ่งเราเรียกว่าศิ ข, ขารือตยตจศิ ข, ขา เราก็พูดกันมาเยอะแล้วทีนี้เข้ามาสู่ตัวชีวิตที่ดีงามเนี่ยเมื่อเราฝึกมาแล้วชีวิตของเราดีงามเป็นมัค ก, การดำเนินชีวิตที่ดีงามนี่จะมีองค์ประกอบแปดอย่างซึ่งจะช่วยให้เรานีได้มีหลักในการดำเนินชีวิตคือเป็นตัวคล้ายๆว่าแนวทางให้เราใช้ในการดูตัวเองตรวจสอบตัวเองด้ก็ได้อันนี้ แนวทางชีวิต ท, ที่ดีงามหรือมรรนีซึ่งสรุปก็คือสามด้านที่พูดไปแล้วว่าศีลสมาธิปัญญาด้านพฤติกรรมจิตใจและปัญญาแต่ว่าท่านแยกให้เห็นชัดเป็นองค์ประกอบ8ดข้อวันนี้เราก็มาพูดถึงเรื่ององค์ประกอบ8ข้อหรือองค์แห่งมรร ก, กันหน่อยได้พูดไปแล้วครั้งหนึ่งว่ามรร ทางดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนั้นเป็นทางเดียวแหละแต่ว่ามีองค์ประกอบ8อย่างจึงเรียกว่ามรคมีองค์แดไม่ใช่ว่ามร์แ8ดมร์แ8ดเป็นภาษาชาวบ้านพูดให้เาพูดให้สั้นๆแต่ว่าอาจจะชวนให้เข้าใจผิดไปว่ามีทางแดทางหรือแปดมร์ความจริงมรคมีมรคเดียวแต่ว่ามีองค์ประกอบ8ดอย่างเมื่อองค์ประกอบครบ8แล้วจึงเป็นมร์ได้ องประกอบ8อย่างก็เริ่มตั้งแต่หนึ่งสมาธิทิความเห็นชอบเริ่มตั้งแต่ความเชื่อถือถูกทางการยึดถือในหลักการที่ถูกต้องซึ่งเอือ้อต่อการดำเนินชีวิตที่ดีงามช่วยให้เกิดการพัฒนาถ้าเราเชื่อไม่ถูกไม่สอดคล้องกับความจริงของกฎธรรมชาติ ไม่สอดคล้องกับตัวธรรมะนั่นเองแค้ตัวความเชื่อหรือลูกาหยึดถือหลักการนั้นความเห็นนั้นมันไม่ช่วยให้เราพัฒนาชีวิตของเราได้ดีไมด่ดีมันตรงข้ามเลยมันขัดขวางการดําเนินชีวิตที่ดีงา ม, มอาจจะเชื่อผิดแล้วก็นําไปสู่การดําเนินชีวิตที่ผิดทั้งตนเองก็ดําเนินชีวิตผิดทั้งทําให้เกิดการเบียดเบียนกันนะ คนเราเชื่อผิดนี่ปัญหามากถ้าหากว่าเชื่อว่าเราจะต้องมีความสุขด้วยการที่เสพวัตถุให้มากที่สุดอย่างที่เคยพูดไปแล้วเนี่ยแค่นี้ก็ยุ่งแล้วนะแต่ละคนก็จะต้องเอาของตัวเขาว่าแย่งชิงผลประโยชน์เบียดเบียดกันและชีวิตก็ไม่ได้สุขจริงสังคมก็เดือดร้อนธรรมชาติก็ย่อยยับอย่างปัจจุบันเนี่ยกลังมีคติอันนี้อยู่นความเชื่อเนี่ย ทิฏฐิตัวนี้แพร่หลายเป็นมากนี่ว่าถือว่าต้องมีสิ่งบริโภคสิ่งเสรีบำรุงบำเรอวัตถุพั้งพร้อมนั่นคือความสุขนี่ทิฏฐิอย่างนี้ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตจะต้องมีความสุขได้เพียงเพราะเสรวัตถุใช่ไหมนี่ไม่สอดคล้องความเป็นจริงแล้วก็ ทำให้เกิดการเบียดเบียนกันไม่ส่งเสริมการพัฒนาชีวิตของเราเชื่อไปอย่างนี้แล้วไม่พัฒนานี่ยใช่ไหมหรือว่ามีทิฏฐิว่ามนุษย์จะอยู่ดีมีสุขสมบูรณ์จะต้องพิชิต ธ, ธรรมชาติจัดการกับธรรมชาติอย่างนี้เราก็เรียกว่าเป็นทิฏฐิที่ไม่เอื้อแหละก็เป็นวิชาทิฏฐินี่เป็นตัวอย่างของทิฏฐิซึ่งมีมากมายอย่างคนที่ดําเนินชีวิตตามค่านิยมในโลกเนี่ย ถ้าสืบลึกลงไปมันก็ไปอยู่ในทิศิที่เราพูดมาไม่น้อยอย่างที่เมื่อเช้านี้ที่ฝั่งญาติโยมพูดถึงเรื่องของผู้คนการเชื่อดาราเนะี่ยการที่มี่านิยมโ ก, โกเเนะี่ยโดยที่ว่าไปตามกระแสนะของเรื่องของการเชิดชู ดาราว่าดาราทำอะไรก็ทำไปตามนั้นนี่ก็แสดงว่าไม่ได้มีสติปัญญาตัวเองพิจารณาว่าไอ้สิ่งที่ทำนั้นมันดีมันชั่วมันเป็นประโยชน์หรือไม่ถูกต้องหรือไม่น่ศักแต่ว่านิยมฟูฟ้ากันไปคนก็ไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาน่มันก็เป็นเรื่องของโมหะ ถ้าพูดในแง่งการศึกษามันจะเป็นการศึกษาได้อย่างไรนะอย่างคนอย่างนี้จะเรียกว่ามีการศึกษาหรือคนที่ศักแต่ว่าดําเนินชีวิตตามข่านิยมไม่ได้ใช้ปัญญาของตอนเองนั่นสมาธิิฐมันก็ต้องเป็นเรื่องของความเชื่อความคิดเห็นยึดถือหลักการที่มันมีปัญญาเป็นฐานเพอมีปัญญามันก็เป็นสอดคล้องกับความเป็นจรงิงสอดคล้องความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายนะแล้วก็มันก็เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตของตอนเอง ความเชื่อแม้แต่ทางศาสนาก็อย่างที่ว่าถ้าไปเชื่อว่ามีอำนาจเล่นลับจะโดนบันดาลให้เราเราต้องการอะไรก็ไปอ้อนวอนกราบไหว้แล้วก็จะได้อย่างนี้ก็ไม่เอื้อตะการพัฒนาชีวิตเหมือนกันก็ไปรอสิทีนี้รอก็เป็นแตเ่เพียงไปอ้อนวอนวงสูงบูชายันให้ท่านโปรดปรานบันดาลให้ตัวเองก็ไม่คิดทำํำนะชีวิตที่ดีงามจะเกิดได้อย่างไร พัฒนาชีวิตก็ไม่ได้เนี่ยสังคมก็พัฒนาไม่ได้ก็ได้แต่สิ่งกล่อมพอให้สบายใจเพลินไปชั่วคราวในเรื่องของทิฏฐิความเชื่อความคิดเห็นการยึดถือหลักการในความคิดที่มันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงไม่ อ, อื้อต่อการพัฒนาชีวิตของตนไม่เ อ, อื้อต่อสังคมเนี่ยมีเยอะแยะเหลือเกิน แล้ปัจจุบันนี้สังคมที่ว่าเจริญมีอารยธรรมก็ไม่ได้ปรากฏว่ามีความเจริญก้าวหน้าในทิศทาที่ถูกต้องแม้แต่ข้อแรกขององค์มรรคก็คือสมารถติชัยใช่ไหมแต่มีมิจฉาทิฏฐิเป็นตัวรองรับมันก็เลยมีปัญหากับไม่รู้จักสิ้นสุดเราก็ต้องหาสมารถติชัยเป็นตัวแรกเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ะตัดสอนย้ำเรื่องสมารถติชัยเป็นตัวตั้งตน้นเป็นตัวรากฐานของชีวิตเป็นตัวจุด เริ่มของทางมันเหมือนกับว่าเรามาตั้งจุดเริ่มต้นที่ทางเดินที่ถูกแล้วมันก็พอสมาธิถี่มันเริ่มให้ถูกต้องการเดินทางต่อไปก็ถูกตามๆกันไปถ้าเชื่อถูกเห็นถูกเข้าใจถูกมันก็คิดถูกพูดถูกทําถูกใช่ไหมอันนี้ความเพียรพยายามอะไรต่างๆมันก็ไปในแนวทางสอดคล้องกันมันก็หนุนให้ดีได้ผลดี ก็เลยเอาสมมธิที่เป็นข้อต้นทีนี้ก็เอามาดูว่าสมมธิทิินี้เป็นอันว่าได้แก่ความเชื่อความเห็นแนวความคิดการยึดถือหลักการที่สอดคล้องกับความจริงแล้วเอื้อต่อการพัฒนาชีวิตของเราแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์ที่แท้จริงท่านก็แบ่งไว้เป็นสองระดับสมาธิทีิในระดับโลกุตระ โลกียะในระดับโลกุตระนั้นจะเน้นในแง่ของความจริงคือความเชื่อที่สอดคล้องกับความเป็นจริงทีนี้ในระดับโลกีนี่จะเน้นในเรื่องของความดีงามเป็นการเชื่อกรรมเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างเงี้ยมันเน้นในแง่ของการที่จะมีความดีงามเว้นจากความชั่วแต่ว่า ในที่สุดได้ตัวทิฐิมันเป็นเรื่องปัญญามันจะต้องไปถึงความจริงให้ได้ในการที่ยังอยู่ในระดับความดีความชั่วมันก็ต้องอาศัยศรัทธาคือเชื่อต่อผู้อื่นเชื่อปัญญาของพระพุทธเจ้าถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าัสรู้ความจริงไอ้เรื่องความดีความงามก็เป็นคำสอนของท่านผู้รู้ความจริงมันก็สอดค้องความจริงไปในตัวคือความดีความชั่ว พระพุทธเจ้าสอนว่ายังไงก็สอนมาจากการตรัสรู้ของพระองค์เพราะฉะนั้นเรื่องสมาธิิในระดับโลกิยะที่เป็นเรื่องความดีความชั่วเนี่ยก็สอดคล้องกับความจริงแต่เป็นความจริงที่อาศัยผ่านศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าแต่ทีนี้ในที่สุดแล้วจะต้องเป็นการรู้ด้วยปัญญาตนเองจึงจะเป็นอิสระแท้เพราะฉะนั้นก็จะต้องกล้าไปสู่สมาธิที่เป็นโล ก, กุตระ คือการที่ว่ามีความเชื่อความเข้าใจสอดคล้องกับตัวความจริงแท้ของธรรมชาตินะก็เอากันง่ายๆว่าสมาธิิก็เป็นสองระดับระดับโลกิยะเน้นในเรื่องของทำดีเว้นชั่วเพราะนั้นจะเน้นในเรื่องการเชื่อกรำรนะฉะนั้นคนเรานี่เชื่อก ร, รมดีก็ทำดีได้ดีนะถ้าทำชั่วด้ชั่วเพราะนั้นเว้นกรรมชั่วทำกรรมดี ท่านก็จะบรรยายว่ายาวแต่รวมความก็คือเรื่องเว้นชั่วทำรรดีเป็นสมาธิติในระดับโลกิยะนะสำหรับมนุษย์ปุถุชนอยู่ในโลกยังไม่ได้พัฒนามากเอาละได้แค่นี้ก็ยังดีมีศรัทธาเชื่อกรรมไวนะ้จะได้เว้นจากกรรมชั่วอันนี้ถ้าจะก้าวให้ถึงความเป็นอิสระที่แท้จริงก็ต้องมีสมารถติที่เป็นโล ก, กุตระเป็นเรื่องของการ มองเห็นความจริงแท้ของสิ่งทั้งหลายนะเห็นเข้าใจในเรื่องหลักการแก้ไขปัญหาที่แท้คืออริยสัจสนะีว่านี่แหละการที่มนุษย์จะพ้นปัญหาได้แท้จริงนี่จะต้องเข้าใจมองเห็นตามหลักอริยสัจสี่อย่างที่ว่าไปแล้วนี่ถ้ามองเห็นตามนี้ก็เป็นสมาธิที่ทเข้าแนวโลกุตระหรือว่า เข้าใจในหลักของความจริงว่าสิ่งทั้งหลายนี่มันมีอยู่ตามธรรมดาของมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงคงอยู่ไม่คงอยู่ในสภาพเดิมแล้วก็อยู่ตามสภาพของมันเป็นสิ่งที่เป็นไปตามปัจจัยเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่มองเห็นความจริงตามหลักไตรลักษณ์อันนี้ก็เป็นสมาธิถิมือกันนะหรือการมองเห็นปฏิจจสมุป บ, บาท มองเห็นกระบวนการของการที่สิ่งทั้งหลายปรากฏขึ้นมาตามเหตุปัจจัยของมันมีความสัมพันธ์ในระบบของธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในระบบความสัมพันธ์นี้เป็นปัจจัยแก่กันและกันส่งผลต่อการจะเกิดขึ้นได้ยางไงก็ตามปัจจัยอันนี้ก็เป็นการที่มองเห็นความจริงของธรรมชาติอีกด้านหนึ่งคือปฏิจจสมุปบาทการที่เข้าใจหลักความจริงอย่างนี้ก็เป็นสมาธิอีกนะนี่ก็เป็นในแง่ความจริง ก็เรื่องของสมาธิทีนี่ก็บัญญายได้หลายอย่างแต่สรุปแล้วก็อย่างที่ว่าขั้นโลกีเป็นเรื่องความเชื่อในบุญในบาปในกรรมเรื่องความดีความชั่วในระดับโล ก, กุตระก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความจรงิงนี้พอเรามีความเชื่อมีความคิดเห็นสอดคล้องความเป็นจริงนี้ก็เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตด้วยการดำรงชีวิตที่ดีงามนะเอื้อยังไงก็อย่างเช่นว่า เอาในแง่การทำความดีเชื้อกรรมก็ทำให้เรานี่ทำดีเว้นชั่วนะแล้วก็สามารถที่จะได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าได้ต่อไปนะในกรณีนี้ยึดถือศรัทธาเป็นสำคัญหรืออย่างว่ามีความเห็นมีความเชื่อยึดถือหลักการที่เป็นสมารถทิฏฐิว่าเออสิ่งทั้งหลายเป็นไปนตามเหตุปัจจัยของมันนี่นี่ก็ความเชื่อ อ, อันหนึ่งเป็นทิฏฐิ ทิฏฐิอย่างนี้มันก็สอดคล้องกับความเป็นจริงและก็หนุนให้เราในแสวงปัญญาพอเราเจออะไรมีประสบการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งเราก็มีความเชื่อยรยุตือหลักการนี้ว่าโอ้สิ่งทั้งหลายเป็นไ ป, น ป, นปนตามเหตุปัจจัยพอเรามองได้ท่าทีอย่างนี้เราก็เริ่มสืบค้นหาความจริงหาเหตุปัจจัยของมันปัญญาเริ่มงอกงามทันทีเพราะนั้นแม้แต่เพียงมีทิฏฐิว่า สิ่งทั้งหลายเป็นไปนตามเหตุปัจจัยแค่เนี้ยทิฐิตัวนี้ก็นําเราให้พัฒนาได้เลยปัญญาพัฒนาแต่ถ้าเราไปเชื่อว่าโอ้สิ่งทั้งหลายจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เทพเจ้าท่นนานบรรดาลก็จบตอนนี้ก็เป็นอันว่าไม่ต้องคิดไม่ต้องถามอะไรแล้วแล้วแต่ท่านว่างั้นนะแล้วแต่เทพเจ้ามันก็ไม่พัฒนาหรือว่าเชื่อว่าอะไรแต่อะไรมันก็เป็นยังไงก็แล้วแต่โชคว่างั้นนะ แล้วแต่โชคมันก็แล้วแต่บังเอิญนั่นเองแล้วแต่บังเอิญถึงคราวดีก็ดีเองถึงคราวร้ายก็ร้ายเองออถ้าอย่างนั้นก็ปล่อยสิใช่ไหมถ้าเชื่อโชคบันดาลเรื่องโชคชะตาเรื่องความบังเอิญอย่างนี้มันก็ไม่สนับสนุนให้เราใช้ปัญญาคนความเหมือนกันก็อยู่แค่นั้นนะถึงคราวดีก็ดีเองถึงคราวร้ายก็ร้ายเองมนุษย์ก็ไม่ต้องขนขวายก็ไม่พัฒนาหรือีกพวกหนึ่งก็เชื่อกรรมเก่า ลัทธินิโครนก็เชื่อกำเกา่าอะไรแต่อะไรก็แล้วแต่กรรมที่ทำไว้ในชาติปางก่อนอ้าวทำไมาแล้วแต่ชาติปางก่อนถ้างั้นเราก็ไม่ต้องทําอะไรแล้วะออถึงเวลามันก็กรรมเก่มกมกมกมมามันก็มาบันดาลเองก็จบอีกเพราะฉะนั้นพระเจ้าเจ้าก็ตรัสไว้บอกว่าเนี่ยนะการยึดถือหรือพวกแนวทัศนะความคิดสามแบบนี้อันนี้ยึดถือเข้าแล้วนี่จะทําให้ ไม่สนับสนุนการกระทำํำนะไม่ช่วยเกิดการดําเนินชีวิตที่ดีงามก็ไม่พัฒนาตนเองก็หนึ่งเเรียกว่าลัทธิปุเพกตะเหตุวาดการถือว่าอะไรแต่ อ, อะไรเป็นยังไงสุขจะสุขจะทุกข์ยังไงมนุษย์จะประสบความเป็นไปในชีวิตเนี่ยสุดแต่กรรมเก่าที่ทำํำไวในชาติปางก่อนนะนี่เป็นลัทธินิคร น, นิครนเชื่ออย่างนี้ต้องระวังต้องแยกจากพุทธศาสนาให้ได้ อย่าเอามาปนกับกรรมในพุทธศาสนาเนนนรียกสั้นๆว่ารัตทิปุเพกตะวะเพราะฉนั้นคนเราเชื่ออย่างนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรละไม่ต้องแก้ไขปรับปรุงแล้วแต่กรรมเก่าในชาติก่อนอันนี้สองก็รัททิอิสระนิมาณเหตุหรือจะเรียกว่รรวารัททิอิสวนนิรมิตวะวัตอิสวนนิรมิตก็แล้วแต่พระอิสวนคือพระผู้เป็นเจ้าจะนิรมิตรบรรดา น, นั่นเอง พราะนั้นก็เราก็ไม่ต้องทําอะไรเราก็ไม่มีอํานาจจะทําอะไรได้มันแล้วแต่พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็สามลทัทธิอเหตุตุอปัจจัยหรื อ, อเหตตุอปัจจัยวาสแปลลัทธิที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยแล้วแต่โชคถึงเวลาดีก็ดีเองถึงเวลาลายก็ลายเองแ่สามลัทธินี้ไม่ใช่ไม่ใช่สมารถที่ทสมาธิที่ก็อย่างที่พูดไปแล้ว ความเชื่อความคิดเห็นยึดถือหลักการที่สอดคล้องกับความจริงเอื้อต่อการพัฒนาชีวิตนะแล้วก็ได้ได้แก่เชื่อในเรื่องความดีความชั่วเรื่องกรรมเรื่องการกระทาของตนเองเรื่องของความจริงเรื่องของความเป็นไปนตามเหตุปัจจัยเป็นต้นอันนี้อย่างน้อยก็เอาละให้ได้ว่ามองอะไรก็มองตามเหตุปัจจัยได้แค่นี้ก็ เกื้ อ, อการพัฒนาแล้วนะทำให้เกิดการคิดค้นแสวงปัญญาและทําให้โอกาสที่ตันหาจะเข้ามาครอบงำจิตใจน้อยลงเวลาเจอเหตุการณ์อะไรก็เออมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยนะอย่าเอาตามความชอบใจตัวเขาว่านะหรือมีเรื่องราวเช่นในบ้านในครอบครัวนะก็แทนที่จะมองว่ามันชอบใจตัวไม่ชอบใจตัวก็มองไนดะ้แง่เออมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยเราต้องแก้ที่เหตุปัจจัย วางใจซะอย่างนี้ก็ช่วยเยอะเลยชีวิตมันก็เข้าสู่กระแสของมรรคที่ถูกต้องเพราะนั้นตอนแรกนี่อย่างน้อยก็เอาว่าเรามองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัยอย่าไปมองตามชอบใจไม่ชอบใจเพราะถ้ามองตามชอบใจไม่ชอบใจแล้วปัญหาเกิดเรื่อยเอามองตามเหตุปัจจัยเป็นไปเพื่อการแก้ปัญหาถ้ามองตามชอบใจไม่ชอบใจเป็นไปในทางทาให้เกิดปัญหานี หรือว่าทําให้ก่อปัญหามองตามชอบใจไม่ชอบใจก็ก่อปัญหามองตามเหตุปัจจัยก็แก้ปัญหาคิดว่าสมาทิฐินี้พูดไว้แค่นี้ก็พอสมควรนะฮะทีนี้ก็ไปข้อสองพอเรามีความเชื่อความคิดเห็นความเข้าใจถูกต้องแล้วเนี่ยการคิดการตั้งจุดบุ่งหมายความดําริลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นไปโดยสอดคล้องกับความเชื่อนั้นเช่นเราเชื่อในความดี เราก็ตั้งใจจะทําสิ่งที่ดีงามใช่ไหมเราเชื่อว่าโอ้ชีวิตของเรานี่ต้องทําให้มีค่าเป็นประโยชน์นะด้วยการทํากรรมดีกรรมดีและทําให้เกิดผลดีเราก็ตั้งใจทําความดีใช่ใช่มหมในะสมาธิมันก็จะเป็นตัวฐานให้แก่ความดําริที่เรียกว่าสังกัปปะพอเป็นสมาธิิสมาสังกัปปะก็ตามมาได้ก็คิดดําริในสิ่งที่ดีงาม การคิดดำริในสิ่งที่ดีงามเป็นไปในทางสร้างสรรค์เกื้อกูลพัฒนาชีวิตเสา ะ, ะแสวงความดีพัฒนาพฤติกรรมจิตใจและปัญญาเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดนะทีนี้ท่านก็ให้เกณฑ์ไว้อย่างหนึ่งว่ายังไงก็ตามเนี่ยให้ความดำรินั้นนะ่มันปลอดจากสิ่งที่ไม่ดีสาประการจะได้เป็นบรรทัดฐานพอได้วัดได้ว่าเออสังกัดปะความดาริของเรานี่ถูกต้องไหม ก็บอกว่าเป็นความดําริที่ปลอดจากความเห็นเกิดตัวเป็นเนคขมัสังกปะก็แปลกันว่าความดําริที่ปลอดจากกามหรือแปลตามภาษาตามตัวอักษรเนคขมัสังกปะความดําริในการออกจากกามเนคขมะนี่แปลว่าออก เช่นออกบวชนะถ้าตามตัวเราก็แปลก็ออกบวชเนคขมะแปลว่าออกบวช อ, อ, อย่างพระพุทธเจ้าเสด็จออกบรรญชาก็เรียกว่าทรงเนคขมะใช้เป็นภาษาสันสกฤตก็เป็นเนสกรมเนสกรมณ ะ, มะมทีนี้เป็นของพระพุทธเจ้าก็เติมคําข้างหน้าให้เป็นเรื่องสําคัญก็เป็นมหาพิเนสกรมหมายพระมหาพิเนสกรมนี้ก็มาจากสันสกฤตบาลีก็คือมหาพิณิขมะ มหาพินิคขมันะการเสด็จออกเพื่อคุณความดีอันยิ่งใหญ่นี่สาระสาคัญก็คือการที่คิดอย่างไม่มีความเห็นกับตัวไม่มุ่งเพื่อตอนเองนะแล้วก็สองก็เป็นความดำริความคิดที่ไม่มีการมุ่งเบียดเบียนทำร้ายผู้อื่น ไนะม่เกิดจากความพยาบาทการคิดเคียดแค้นชิงชังนะอันนี้เรียกว่าอัพยาปาทสังกับปักแล้วก็สก็เป็นความดําริที่ปลอดจากการวิหิงสาวิหิงสานี่แปลกันว่าเบียดเบียดเบียดเบียดในความหงาจะไปคมเหงรังแกนะทำร้ายเขาโดยที่ว่า เขาไม่มีอำนาจไม่มีความสามารถมีกำลังน้อยนะอย่างพวกไปล่าสัตว์เห็นแก่นสนุกนะ่อย่างนี้ก็เรียกว่าวิหิงสานะสัตว์มันก็ไม่ได้ทำอะไรตัวเองก็ไปรังแกมันข่มเหงมันหรือว่าแกล้งเผาป่าเล่นสนุกนะอะไรเงี้ยนะ่อย่างนี้เ็าเรียกว่าวิหิงสาถ้าเป็นข้อพยาบาทนี้มันมีความ แค้นเคืองขัดใจหรือไม่พอใจชังอะไรกันมันเป็นเรื่องของโทสะทีนี้วิหิงสานี่มันไปเบียดเบียนบางทีเห็นกันสนุกมนไม่ได้มีเรื่องกันเลยอยู่ดีๆะนะีน่ะไปไล่จิงมันเล่นสนุกดีอะไรอย่างนะเงี้นะเด็กๆเห็นสุนัขมัน เดินไปเดินมากันนึกสนุกขึ้นมาก็เอากระป๋องไปผูกหางมันใช่ไหมฮะมันวิ่งมันก็วิ่งหนีเสียงกระป๋องที่นนั่นแหละวิ่งไม่รู้จักจบหรืออะไรก็แล้แต่นี่นะเห็นกสนุกสนานแล้วก็ไฟทําลายมันอย่างนี้ก็เรียกว่ารังแกมันอย่างนี้เป็นวิหิงสาเน่ยก็ นี่แหละให้เป็นความดําริที่ปลอดจากแก่สาอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นไป็ น, นทางที่ดีงามจะทําไปยังไงไงแต่ให้เป็นไปนในแนวทางของมัตตแต่ที่นี้เรามักไปแปลกันว่าสมาธิสังปกปะดําริชอบคือดําริในการที่จะออกบวชในการที่จะไม่พยาบาทในการที่จะไม่เบียดเบียนคมเหงรังแกคล้ายๆว่าเอาไอ้สามอย่างเป็นปเป้ปาในการกระทาไปเลย ที่จริงคือความดาริอะไรก็ได้ที่ปราศจากนี่นะฮะคือปลอดหรือปราศจากนะอันนี้การตีความมองอย่างมันเลยแคบไปว่าเออสมารถสกปากก็ต้องไปคิดออกบวชนะต้องไปคิดนะไปไม่ตั้งใจไม่พยาบาทใครตั้งใจอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ต้องคิดทําอะไรคือมันคิดทําอะไรที่มันดีงามโดยที่มันไม่มีไอ้เจ้าสามตัวนี้มาปัดปนเป็นแรงจูงใจแฝงอยู่เบื้องหลังนะะ ทนี้จะทําอะไรก็ทําสินะเป็นประโยชน์ได้หมดเอาล้วครับนี่ก็สองอย่างนี้จัดเป็นหมวดปัญญาเพราะว่าเรื่องของทิฏฐิความเชื่อความคิดเห็นแนวความคิดความเข้าใจก็เป็นเรื่องปัญญาแล้ปัญญาความรู้ความเข้าใจของเรามีแค่ไหนแล้วก็ทําได้แค่นั้นเรารู้เข้าใจอย่างไรเห็นอย่างไรแล้วก็ทําไปตามนั้นเพราะฉะนั้นเรื่อง พิธีเนี่ยแม้จะเป็นปัญญาเบื้องต้นก็สำคัญจะเป็นเชื่อในการที่จะพัฒนาปัญญาต่อไปแล้วก็จะเป็นฐานในการที่จะออกสู่การกระทาและการที่จะมีจิตใจเป็นยังไงต่อไปด้วยก็จัดเป็นชุดแรกนก็เริ่มตั้งแต่คิดเห็นเชื่อแล้วก็มาเอามาเชื่อแล้วก็เห็นแล้วก็เข้าใจยึดถือหลักการอย่างไรแล้วก็ดาริ ตั้งใจคิดที่จะทาการต่างๆไปตามนั้นนะเมื่อเป็นสัมมาทิฏฐิก็จะตามมาด้วยสัมมาสังกัปปะหมดปัญญาก็จบลงด้วยเท่านี้ในเมื่อ ม, มีความคิดเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะแล้วก็ออกมาสู่การกระทำนะการกระทาก็ออกทางพฤติกรรมพฤติกรรมนี้ก็ มีทางกายกวัตจาอย่างที่พูดไปแล้วนะก็มาดูเริ่มต้นท่านไปเอาวัตจาก่อนนะเรายังไม่ต้องเดินตั้งอะไรก็พูดออกมาได้แหละใช่ไหมแต่ไห น, นก็เหมือนกับคนนี่อยู่นิ่งๆก็ปากมันขยับได้ง่ายแต่ท่านเราเริ่มข้อวาจาก่อนนะแล้ววาัจามื่อพูดไปแล้วบางทีถ้าคนมาอยู่ในสังคมนี่จะทำการร่วมกันก็ใช้วัตจา ในการชักชวนกันเป็นต้นหรือในการปรึกษาหารือแล้วก็เน้นเรื่องวัจจาว่าเมื่อออกสู่พฤติกรรมในการที่จะปฏิบัติการนี่ก็ให้เป็นสัมมาวัจจาเป็นการพูดเป็นการเจราจาที่ถูกต้องการเจราจาที่ดีงามถูกต้องที่จะเข้าเป็นองค์มรรคคือเป็นองค์ประกอบของการดำเนินชีวิตที่ดีงามด้านพฤติกรรมเนี่ย สารพัดแหละพูดและรกร็พูดไปแต่ขอให้มันปลอดจากข้อเสียหายต่อบแบบนี้ข้อเสียหายอะไรบ้างท่านจัดไปเป็นสีขนะ่ข้อข้อเสียหายที่หนึ่งก็คือว่ามันเป็นเท็จนะพูดเท็จดังนั้นให้วาจาที่พูดนี้เป็นวาจาที่ไม่เท็จปราศจากคาพูดที่ไม่เป็นความจริงโกหกหลอกลวงนะหนึ่งแล้ว อ้าวสองก็เป็นวาจาที่ปลอดจากการสอดเสียดยุยงเนี่ยจะแกล้งปลุกปั่นคนยั่วยุให้เขาแตกแยกกันให้เขาเป็นปฏิปักษ์ทำร้ายซึ่งกันและกันแตกสามัคคีกั น, นอันหนึ่งเรียกว่าข้อที่หนึ่งลืมบอกไปว่าเรียกว่าเว้นจากมุสาวาทปลอดจากมุสาวาทปลอดจากคำเท็จข้อที่สองก็ เรียกว่าปราศจากปิสุนาวัจจาพิสุนาวจจาแปลววาจาที่ส่อสเสียดยุยงทําให้แตกความสามคัคคีก็ต้องเป็นวาจาที่ตรงข้ามเป็นไปนในทางประสานสามัคคีนะช่วยคนนี่มีความคิดดีงามต่อกันมองกันในแง่ดีปรารถนาดีต่อกันนะแล้วก็ต่อไปก็เป็นวาจาที่ ไม่หยาบคายไม่ลุกรันผู้อื่นแต่เป็นวาจาที่สุภาพอ่อนหวานอ่อนโยนเป็นวาจาที่น่ารักอันนี้ก็เรียกว่าเว้นจากพารุสวัจจา ร, ราศจากพร า, ารุสวัจจานะและข้อสุดท้ายก็ข้อเสียหายอย่างก็คือว่า ต้องไม่เป็นวาจาที่เพอ้อเจอ้อเพอ้อเจอ้อก็พล่ามเลวไหลไรสาระไม่มีประโยชน์พูดเรื่อยเปื่อยถ้าบอกไม่มีเนื้อมีตะแกลบบว่า้งคล้ายๆเป็นวาจาโปรยแกลบแกลบนั้นมันก็ไม่มีสาระด้วยยังแถมเละเทอะหมดเลยพอออกไปแล้วมันทำให้ที่นั้น อะไรเป็นไงล่ะดูแล้วแย่เลยนะดูแล้วมันก็ไม่สะอาดแล้วก็กวาดยากซะด้นนะ น, ะะนันก็ให้เป็นวาจาที่มันปลอดหรือปราศจากไอ้ข้อเสียหายสี่ประการนี้อันะนี้จะพูดอะไรก็พูดไปนะทีนี้เราไปแปลกันในแง่ว่าสัมมาวาจาก็ไป เว้นจากการพูดเท็จเว้นจากการพูดสอดเสียดเว้นจากการพูดคำหยาเว้นจาการพูดเพเจอเลยไม่ต้องพูดอะไรกันหมดก็เลยกลายเปว่าไม่ต้องพูดอะไรก็ก็เป็นวาจาชอบวาจาอะไรก็พูดไปแต่ให้มันปราศจากข้อเสียหายนี่เพี่ยเพจสัมผัสประหลาปะเอาตกลงว่ามีสี่ข้อนะข้อเสียหายหนึ่งก็มุสาวาดคําเท็จคำโกหกหลอกลวง โดยเฉพาะมุ่งทำลายประโยชน์ของเขาทำให้เขาเสียหายเนะี่ยเป็นหลักเลยต้องเอาอันนี้เป็นหนึ่งแล้วต้นี้สองก็ไม่เป็นปิสุนาวาจาวาจาศรเสียนยุยงแล้วก็สามไม่เป็นวาจาพรุรสวัพรสวัจจากำยาบแล้วก็สี่ไม่เป็นสัมผัสปลาปะไม่เป็นคำพูดเพื่อเจอนะพร่ามเหลวไหล เอาละ4อย่างนี้นะทีนี้มันก็จะกำกับให้วาจ้างเราอยู่ในขอบเขต ท, ที่ดีงามเป็นเป็นในฐานที่สร้างสรรค์นี้ถ้าเอาคำตรงข้ามก็ข้อ1ก็ไม่พูดเท็จก็พูดคำจริงข้อ2ไม่พูดคำส่อเสียก็พูดคำสมักสมานในะประสานสามัคคีข้อ3ไม่พูดคำหยาบก็พูดคำอ่อนหวานสุภาพนะแล้วข้อ4ไม่พูดคำเพ้อเจอก็เป็นคำที่เป็นประโยชน์ เป็นเนื้อหาสาระพูดถูกกาลถูกเวลาเป็นคำพูดพอประมาณนะแล้วก็พูดด้วยความปรารถนาให้เกิดประโยชน์อะไรย่างนี้นะนี่ก็เป็นเรื่องของวาจาเป็นสัมมาวาจาแล้วนะนี้เป็นออกมาสู่ด้านพฤติกรรมและถ้าว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคัปปะมันเป็นฐานให้แล้วมันก็จะนำหมดสมดสมาวาจาสมมาวัจาก็เลยเอาไอ้สข้อนี้มา เป็นกรอบไว้อีกว่าอย่าให้มันไปละเมิดนี้น ะ, นะทีนี้ต่อไปก็ออกสู่การกระทําการเคลื่อนไหวทางกายทางด้านการเคลื่อนไหวทางกายก็ก็ให้เป็นการกระทําอะไรแต่อะไรที่ดีงามสร้างสารรค์เป็นการพัฒนาชีวิตเป็นต้นโดยปราศจากข้อเสียหายทางกายอีกสประการข้อเสียหายทางกาย3ประการก็หนึ่งการที่ไป ทำลายชีวิตผู้อื่นเขาหรือแม้ไม่ถึงชีวิตก็ทำลายร่างกายเขาก็เป็นการละเมิดต่อเรื่องชีวิตร่างกายนั่นเองมาให้เป็นการกระทาที่ไม่มีการละเมิดต่อชีวิตร่างกายผู้อื่นหรือเบียดเบียนชีวิตร่างกายผู้อื่นสองก็ไม่เป็นการเบียดเบียนละเมิดต่อทรัพย์สิน ของเขานะีสิ่งที่เขาครอบครองเป็นทรัพย์สมบัติที่ตกลงกันไว้ในสมมติของสังคมตกลงกันไว้แล้วเพื่อจะให้อยู่กันได้ดีมันก็ต้องไม่ร่วงละเมิดกันนะในทรัพย์สินเงินทองในกรรมสิทธิ์ในปัจจัยสี่เป็นต้นแล้วก็สมก็ไม่ละเมิดในเรื่องคู่ครองนะคู่ครองกันเพื่อให้สังคมอยู่ได้ดีนี่ สังคมก็จะต้องมีแบบแผนมีกติกามีวินัยในเรื่องของคู่ครองก็เลยต้องไม่ละเมิดกันในเรื่องเหล่านี้มันจะได้อยู่ด้วยกันโดยไม่เบียดเบียนอันนี้จะทำลารก็ทําไปนะขอให้มันปราศจากเจ้าสมตัวนี้นะก็สําหรับการทำลายและทาลายชีวิตทําร้ายร่างกายกันนี่ก็เป็นเรื่องข้อปราณิบาตินะก็เว้นจากปราณิบาติปลอดจากปณาณิบาติ แล้วก็สองเว้นหรือปลอดจากเรื่องของการละเมิดทรัพย์สินก็นเว้นจากอาทินาธานแล้วก็สามเรื่องของการละเมิดต่อคู่ครองก็เรียกว่าการไมส่สมิชฌา จ, จาร์ก็ให้พฤติกรรมปราศจากสิ่งเหล่านี้นะเอาละครับการนี้ก็เข้าสู่มรดในด้านพฤติกรรมอ๋อแล้วมันยังมีข้อหนึ่งข้อที่สําคัญก็คือการ เลี้ยงหาลเลี้ยงชีวิตการหาเลี้ยงชีพการประกอบอาชีพก็ต้องเป็นสม า, าชีวะเป็นอาชีวะที่ถูกต้องข้อนี้ท่านจะพูดไว้แบบว่าให้หลักการคร่าวๆเพราะอาชีพของคนนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยให้เป็นอาชีพที่ดีงามนะถูกต้องช่นว่าตามข้อกําหนดของสังคมนะ อย่างในยุคปัจจุบันก็ถือกฎหมายเป็นหลักไม่ให้เป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายเพราะกฎหมายนั้นก็ปกติก็ยึดถือเอาประโยชน์สุขของสังคมก็คือหลักศีลธรรมเนี่ยเป็นเกณฑ์ว่าเป็นอาชีพที่ไม่ทําร้ายทำไม่ทําร้ายผู้อื่นนะโดยมากอาชีพเนี่ยมันจะมุ่งคล้ายๆว่าตามหลักไอ้ที่ว่ามาแล้วนี่แหละนะีคือเป็นอาชีพการทํามาหากินนะี่ โดยที่ว่าไม่ไปเบียดเบียนทําลายชีวิตทําร้ายร่างกายผู้อื่นไม่ละเมิดต่อชีวิตร่างกายของเขาแล้วก็เป็นอาชีพที่ไม่ไปล่วงละเมิดต่อทรัพย์สินผู้อื่นเป็นอาชีพที่ไม่ละเมิดคู่ครองกันตลอดจนกระทั่งถูกต้องตามสัมมาวจจะอาชีพโดยมากก็จะเป็นไปตามเนี้ยเนี่ยกจะเอากฎหมายบ้านเมืองนี้เป็นแนวทั่วทวไป แต่ทีนี้ว่าสําหรับอุบาลสกนี้ท่านยังมีอีกเรียกว่ามิจฉาวณิจชานะแต่ก็ไม่อยู่ในคําจํากัดความของมรรคหรอกมิจฉาวณิจช า, ชาพุทธเจา้าประจัดไปในที่อื่นในบาลีเรียกว่าอาการณียวณิจชาอ่าปฐกถาเาก็มาเรียกมิจฉาวณิจชาในบาลีเรียกแค่ว่าอการณียวณิจชาแปลว่าการค้าที่ไม่พึง ป, ป, ประกอบทำหรือไม่พึงประกอบก็มีอา้าวลงุงจําได้ไหมครับ อ้าวหนึ่งมิฉาวณิชชาอการณียวณิชชาหนึ่งฆ้าอาวุธสองข้อสก็ามนุษย์ค้ายาพิษก่อนหรือเปล่าค้ายาพิษด้วอ้าสองฆ่ามนุษย์ข้าก็าสัตว์เป็นแรกการรวมเป็นการเอ่อาเพื่อให้เขาไปขายกินข้อที่ก็าสุราค้าสุราข้อที่า ข้ายาเสพติดขอ้ขอข้อข้อสก็ค้าสุรายาเสพติดนี่เรียกว่ามัดชาวดิชาช่ไหมไม่ใช่บอกสุรานะมัดชาก็เครื่องดองของเมาก็พวกยาเสพติดนี่แหละแล้วก็ข้อหก็วิสาวดิชาข้ายาพิษนีอันนี้เป็นเรื่องของกระดูก็ษารามก็ไปอยู่ที่นี่แหละอยู่ที่เรื่องลองดูสิในเรื่องของกายวัจาเรื่องกายเทพท่านั้นเลยใช่ไหม ยาพิษมันก็ทำลายชีวิตเขาเรื่องของอไอไล่เรื่องของค้ามนุษย์เรื่องของการค่ า, าสัตว์ไปเป็นอาหารทำเป็นเนื้ออะไรพวกนี้มันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการเบียดเบียนในเรื่องของสมากามรรมตะการกระทา <c oughs> <c oughs> ก็ตกลงว่าให้ประกอบอาชีพที่ดีงามถูกต้อง นะไม่เป็นการเบียดเบียนผู้อื่นแต่ว่ามองให้กว้างออกไปนี่นะฮะเอาละก็อาชีพที่ดีงามเนี่ยนะก็ไปอันว่าไม่ก่อความเดือดร้อนเบียดเบียนสังคมนะไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะอันนี้นอกจากไม่เบียดเบียนผู้อนแล้วอาชีพที่ดีงามนั้นมันจะยังช่วยสร้างสรรค์สังคมด้วยเนะี่ย อาชีพทั้งหลายเนี่ยมันเกิดจากการที่มนุษย์มีความต้องการแก้ไขปัญหาในสังคมของตนเองแก้ไขปัญหาชีวิตอย่างอาชีพแพทย์เกิดขึ้นมาได้อย่างไร <c oughs> ก็เพราะว่ามนุษย์มีความต้องการสุขภาพดีต้องการหายโรคการประกอบอาชีพอย่างนี้มันก็เป็นไปเพื่อแก้ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บสร้างสรรค์ให้คนอยู่ดีมีสุขมีสุขภาพดีมีคุณภาพชีวิต อาชีพก่อสร้างมีขึ้นเพราะอะไรก็พระมนุษย์ต้องการมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยมีปัจจัยสี่ใช่ไหมเพราะนั้นอาชีพต่างๆที่มันเป็นสัมมาอาชีพเนี่ยนอกจากไม่ก่อความเดือดร้อนเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็จะเป็นอาชีพที่เป็นไปในทางแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่สังคมอย่างใดอย่างหนึ่งนะนั้นเมื่อเราให้มันเว้นจากฝ่ายไม่ดีแล้วเรามันเน้นฝ่ายดี คือว่าเอา那ในด้านหนึ่งไม่ให้มันเบียดเบียนก่อความเดือดร้อนใครแล้วก็มันเน้นว่าแล้วมันก่อให้เกิดประโยชน์อะไรช่วยแก้ปัญหาอะไรอาชีพพวกนี้ดีน่าสนับสนุนนีเป็นการส่งเสริมที่ดีเป็นหลักการในการที่จะดูว่าอาชีพอะไรควรส่งเสริมก็ดูว่าอาชีพนี้มันช่วยแก้ปัญหาสังคมไหมมันช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์ความดีงามสังคมนี้จเจริญในทางที่ถูกต้องไหม นั้นอาชีพบางอย่างนี่มันทําให้คนนี่เพลิดเพลินรุ่มหลงัวเมาส่งเสริมค่านิยมที่มันไม่ดื้อไม่ถูกต้องส่งเสริมโลภโทสะโมหะไม่น่าสนับสนุนใช่ไหมแม้ยังไม่เห็นชัดลงไปว่าเป็นอาชีพที่ไปผิดกฎหมายไม่ผิดเออใช่ไหมอาชีพบางอย่างไม่ผิดกฎหมายแล้วจะไปเอาในแง่ของการไม่เบียดเบียนอะไรต่ออะไรตรงๆก็ไม่ชัดใช่ไหมก็ดูว่า มันไปส่งเสริมค่านิยมไม่ดีมันไม่ส่งเสริมการแก้ปัญหามันไม่ช่วยสร้างสาร์สังคมเลยอาชีพพวกนี้ไม่น่าสนับสนุนเดี๋ยวนี้มีเยอะใช่ไหมอาชีพที่ทําให้คนลุ่มหลงโมวเมาอะไรต่างๆแล้วเนี้ยอันนี้กลายเป็นอาชีพที่ได้เงินได้ทองมากด้วยดะงนั้นก็ต้องจะช่วยสังคมก็ต้องพยายามส่งเสริมสมัชชิษที่ถูกต้องที่มันสร้างสารรค์อย่างที่ว่า อนอกจากว่าแก้ปัญหาสร้างสารรค์สังคมและอะไรอาชีพที่ดียังเป็นอะไรอีกอาชีพที่ดีเพราะมันอยู่ในองค์ของมรคนี่มันจะเป็นตัวเอื้อในการพัฒนาชีวิตของตัวเจ้าของผู้ประกอบอาชีพเองด้วยคือไม่ใช่จะเพราะมันไปเอื้อต่อสังคมประเทศชาติเท่านั้นมันเอื้อต่อการพัฒนาตัวเองด้วยนะสมาอาชีพเนี่ยเวลาเราไปประกอบสมาอาชีพนะเราได้มีโอกาสสึกฝนพัฒนาพฤติกรรมของเราเนะีย ลงเราไปทำงานทำการที่ดีสนะิเราได้อยู่ร่วมกับผู้อื่นรู้จักทำงานกับคนอื่นรู้จักพูดจา ก, จาก่าพูดยังไงจึงจะทำให้สมัครสมาครสามัคมคีพูดยังไงจะทำให้เราได้รับความร่วมมือทำให้การงานมันได้ผลดีใช่มมันก็ฝึกพฤติกรรมนะรู้จักทำงานร่วมกับเขาในแง่ต่างๆ แล้วก็ฝึกความจัดเจนฝึกฝีมือทําให้มีฝีมือก็เรื่องพฤติกรรมเท่านั้นอัะ น, นั้นอาชีพที่ดีนี่พฤติกรรมนี่เราได้พัฒนาแล้วสองจิตใจเราก็ได้พัฒนาเวลาเราประกอบอาชีพนี่เราจะทํางานให้สําเร็จเราต้องมีจิตใจที่รับผิดชอบเราต้องมีจิตใจที่มีความขยันหมั่นเพียรไม่ท้อแท้ไม่เกียจคร้านหนักเอาเบาสู้นมีความอดทนน แล้วก็สร้างชันทะความอยากให้งานสําเร็จให้เป็นผลดีอะไรต่างๆด้านจิตใจก็พัฒนาขึ้นมาได้เยอะแยะหมดแ ม, ดมด้แต่สติก็ฝึกสมาธิก็ฝึกทํางานด้วยความตั้งใจจริงทํางานด้วยใจรักมีสมาธิมีใจแน่วแน่ในงานนั้นทําให้งานได้ผลฝึกจิตใจแล้วก็ฝึกปัญญาเรายิ่งได้เรียนรู้ใน อาชีพที่เราทำเราค้นคว้าวิชาการเพื่อจะมาทํางานของเราให้ได้ผลดียิ่งขึ้นเราเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทํางานได้เห็นโลกเห็นชีวิตเข้าใจโลกชีวิตตามเป็นจริงเพราะฉะนั้นคนที่รู้จักใช้อาชีพให้เป็นประโยชน์ก็เอาอาชีพเนี่ยมาเป็นแดนพัฒนาชีวิตของตนเองทางพฤติกรรมจิตใจและปัญญาโดยตั้งใจเลยไม่ใช่ปล่อยทิ้งแล้วพอ เราอาชีพมาเป็นแดนพัฒนาชีวิตเนี่ยเราจะมีความสุขในการทํางานมองเห็นว่าเราทํางานนี่มันเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราอย่างนี้ด้วยแล้วใจมันก็จะเบาลงจากการที่ไปมัวมองข้ามอันนี้คนจํานวนมากเนี่ยมองข้ามอันนี้ไปไม่เห็นประโยชน์ก็เลยเสียประโยชน์ที่จะพึงได้เสร็จแล้วนอกจากนั้นก็คือว่ายังทําให้จิตใจไม่มีความสุขในการทํางาน ก็ไปมองแต่ผลประโยชน์ที่รับตอบแทนมองข้าม ป, ปั๊บจะทํางานอาจะได้เงินเดือนเท่าไรผลตอบแทนเท่าไรใจมองข้ามไปอยู่ที่นั่นที่นี้เอาลักษการงานกลายเป็นเรื่องของความจําใจกลายเป็นเรื่องทรมานใจกลายเป็นเรื่องของการที่ต้องรอคอยว่าเมื่อไรางานจะผ่านจะหมดเวลาทํางานจะได้รับผลตอบแทนเลยขาดประโยชน์ที่พึงได้แล้วทําให้ผลเสียต่อคุณภาพชีวิตจิตใจไม่ดี นั้นประโยชน์ที่แท้ของการงานอาชีพมันอยู่ตรงนี้มากกว่าเงินเดือนเงินทองเงินทองผลตอบแทนนั้นเป็นเพียงข้อสมมติข้อตกลงในสังคมเพื่อเอือ้อต่อการที่เขาจะได้ทํางานการได้ใช่ไหมเป็นเครื่องเอื้อเพื่อสนับสนุนเออคุณจะได้อยู่ใจคอจะได้ไม่ต้องไปกังวลเรื่องความเป็นอยู่เพราะคนเราไม่มีปัจจัยสี่ก็อยู่ไม่ได้เราก็ให้เงินเดือนให้ผลตอบแทนไว้เป็นหลักประกันว่าคุณไม่ลําบากนะ นะคุณทํางานตั้งใจไปเถอะไม่ต้องห่วงใ ย, ยเรื่องนี้อันนี้ตัวประโยชน์ที่แท้ของการทํางานนั่นตามเหตุตามผลเขามันตามกฎธรรมชาติก็คือทํางานอะไรก็เกิดผลอันนั้นนะเมื่อทํางานปลูกทําสว น, นก็ทําให้ต้นไม้เจริญงอก ง, งามและคุณตั้งใจทำเหตุให้ตรงกับผลที่ต้องการทีนี้เราก็ทํางานไปเราก็เห็นว่ามันเป็นโอกาสงานนี้ก็ทําให้เราได้พัฒนาชีวิตของเรา พัฒนาพฤติกรรมพัฒนาจิตใจปัญญาไปหมดเราก็ดีเราก็ทำงานได้ความรู้สึกว่าได้จากงานโดยตรงตลอดเวลาเลยจิตใจยอย่างนี้เราก็เป็นจิตใจที่ตรงไปตรงมาตามกฎธรรมชาติด้วยแล้วก็เป็นผลดีมีความสุขในการทำงานด้วยอันนั้นตรงเนี้ยที่เป็นสำคัญมากก็คือว่าเอางานเอาอาชีพมาเป็นแดนพัฒนาชีวิตของตนเองนะเราก็จะประสบความก้าวหน้าความสาเร็จด้วย แล้วอันนี้ที่สำคัญมากเพราะอะไรเพราะว่าเวลาของคนเราเนี่ยในชีวิตเนี่ยมันเป็นเวลาที่มาใช้ในการประกอบอาชีพซะมากวันหนึ่งนี่เราต้องให้เวลาในการทำงานชีพเท่าไหร่นะ่อย่างขา้าราชการก็ไปทำงานประมาณเท่าไหร่8ดชั่วโมง8ดชั่วโมงนะฮะแปดชั่วโมงนี่ถ้าคิดเป็นเวลานอนคนธรรมดานอนกี่ชั่วโมง กเลยฮะอ่า็หกเจ็ดแปดอ่หกเจ็ดแปดถ้าแปดชั่วโมงก็เป็นเวลานอนแปดนะแล้วทำงานเป็นแปดเป็นสิบหกละเหลืออีกแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงก็เดินทาง้างนะฮนะเดินทางยิ่งเดี๋ยวนี้กรุงเทพด้วยกว่าจะไปถึงกว่าจะกลับมาถึงบ้านอะไรเงี้ยวันหมดไปเยอะเวลารับประทานอาหาร เ, เวลาที่จะต้อง ทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆอาบน้ำแต่งตัวโอ้โ อ, อีกเยอะแยะตกลงว่าเวลาที่เป็นเรื่องเป็นราวแต่เนี่ยเป็นเวลาที่ทำงานไปสักตั้ง8ชั่วโมงเห่นนอนยังไม่แน่เลย8ดก็มี6ชั่วโมงเจก็มีก็คนเราอย่างที่ว่าแล้วเนี่ยเวลาในแต่ละวันของชีวิตเนี่ยมันหมดไปกับการทำงานกำหนดไวส้สาหรับทำงานในตั้ง8ดชั่วโมงสงหรับคนยุค ป, ปัจจุบันในราชการ บางทียังทํามากกว่านี้อีกนะบางคนแม้เกินแปดชั่วโมงนะฮะนั่นสิบางคนทำมากกว่ามีเวลาที่มันจริงมมากมากกว่านั้นอีกใช่ไหมเนี่ยลองคิดดูเราชีวิตเราอยู่กลาการงานตั้งเท่าไหร่แล้วไปนอนซะหมดไปอีกซักหกเจ็ดปดชั่วโมงเหลือเวลาอื่นไม่เท่าไหร่หรอกเพราะนั้นถ้าเราไม่เอาไม่สามารถเอาประโยชน์จากเวลาทํางานได้ชีวิตของเราจะเสียไปไม่รู้เท่าไหร่ นั้นความสุขความดีงามอะไรต่างๆที่จะได้กับชีวิตนี้ต้องหาทางเอาจากงานให้ได้นะเพราะฉะนั้นชีวิตของเราเสียไปตั้งอย่างน้อยหนึ่งในสามส่วนใช่ไหมเพราะในเวลาหนึ่งวันนี่แปดชั่วโมงก็คือหนึ่งในสามอ่าแล้วเสร็จแล้วคิดไปตลอดชีวิตก็หนึ่งในสามของชีวิตหมดไปแล้วเสียเปล่านี่ถ้าทํางานแล้วเกิดโทษหรือไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรนี่เสียชีวิตไปเปล่า นั้นชีวิตจะดีงามต้องเอาให้ได้จากอาชีพเนี่ยใช้เวลาทํางานในการาชีพนีออ่พัฒนาชีวิตของตนเองทํางานให้มีความสุขทํางานให้เป็นการสร้างสารรค์แก้ปัญหาสังคมออทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นโอ้ทําความดีในเนี้ยเสร็จเลยลพวกความดีงามคุณค่าของชีวิตก็เลยมาอยู่ในแดนนี้แทบเท่านั้น น, นั่นเรื่องอาชีพสําคัญมากพุทธศาสนาให้ความสําคัญ เวลานี้บางทีเราพูดถึงศีลเราก็ลืมมองข้ามไปเลยลืมเรื่องอาชีพมองข้ามเรื่องอาชีพไปเน้นกันแต่เรื่องเรื่องการศีลห้าก็ไปอยู่แค่สัมมาวาจาสัมมากรรมตักระเร่องสัมมาชีวานีน่ไม่ค่คยพูดทั้งๆ ท, ที่เป็นเรื่องศีลด้วยสาคัญพอมาถึงสัมมาชีวานแล้วนี่แค่นี้ก็จะเห็นว่าโลกทั้งโลกก็เป็นไปอย่างนี้แหละใช่มออกมาสู่ภาคปฏิบัติการเป็นชีวิตจริง พอหมดแดนนี้แล้วออกมาสู่พฤติกรรมแล้วทีนี้ก็ไปดูไอ้ตัวตัวที่อยู่เบื้องหลังที่จะมาช่วยสนับสนุนให้การแสดงพฤติกรรมนี้มันได้ผลนะตามวัตถุประสงค์ให้มันแข็งขันให้มันจริงจังอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเอาไปสู่ด้านจิตใจก็เลยไปสู่องค์มรักษ์อีกสามข้อข้อสุดท้ายด้านจิตใจนี่มาเป็นฐานอยู่ภายในมาเป็นตัวเ อ, อื้อตัวหนุนตัวสนับส่งเสริม ตัวทำให้มั่นคงยิ่งขึ้นเอถ้าหากว่าพฤติกรรมไม่มีจิตใจเป็นหลักฐานแล้วมันก็ไม่มั่นคงและไม่จริงจังนะเช่นว่าจะประพฤติความดีนี่มันก็จะขาดกำลังไปอ น, นั้นก็เอาด้านจิตใจมาด้านจิตใจองค์ประกอบด้านจิตใจเนี่ยมันเยอะแยะแต่ตัวที่มาเป็นหลักสาคัญในการทำงานยืนโรงก็คือสามตัว ที่เคยพูดไปแล้วนะด้านจิตใจตัวทํางานยื่นลงก็คือด้านความเพียรพยายามความเพียรพยายามนี่เริ่มตั้งแต่แม้แต่ไอ้ตัวที่มันทําให้ขยับขยื่นเคลื่อนไหวเนี่ยคนเราไม่มีตัวความเพียรแม้แต่นิดเดียวเนี่ยมันไม่ขยับขยื่อนอยู่นิ่งเฉยไปเลยอันนั้นตัวเพียร น, นี่เป็นตัวทําให้ขยับขยื่นเราจะมีพฤติกรรมเราต้องมีเพียรอันนี้เพียรมีเพียรมากก็ยิ่งขยับขยื่นมากแรงยิ่งมากยิ่งก้าวไปไอ้ตัวเพียร น, นี่ทําให้ก้าวหน้า ไม่หยุดอยู่กับที่นะเพราะฉะนั้นความเพียร น, นี่คู่กับความก้าวหน้าแล้มนะันจึงทําให้เกิดความสําเร็จความเพียรก็ลักษณะอีกอย่างนึ่งคือการที่จะก้าวหน้าต้องกล้าด้วยนะก้าวหน้าต้องกล้าไปกล้าเดินไปนะแล้วก็ต้องไม่เกียจคล้านนะไม่ช่วยชา นิความเพียนนี้ท่านก็บอกว่ามันเป็นความเพียนที่มีแนวทางมีเป้าหมายหนึ่งความเพียรในการป้องกันอกุศลสิ่งไม่ดีไม่งามที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดมีขึ้นอันนี้ก็สำคัญนะตั้งแต่ในจิตใจของเรานี่ความชั่วอกุศลธรรมมันจะเกิดก็ไม่ให้มันเกิดถ้ามองในแง่สังคมก็ความชั่วร้ายอะไรต่างๆในสังคมนี้ เพียรป้องกันมันอย่าให้มันเกิดขึ้นคนเราทําหรือเปล่าความเพียรในแงน่นี้นะเพียรป้องกันความชั่วสิ่งชั่วร้ายสิ่งเสียหายสิ่งที่เป็นโทษไร้ประโยชน์ไม่เกิดขึ้นในนี้สองก็เพียรในการละความชั่วกําจัดสิ่งเสียหายโทษความเลวร้ยายที่เกิดขึ้นแล้วบาปอากุศลธรรมในใจหรือความไม่ดีไม่งามในสังคมที่มันเกิดมีขึ้นแล้วนี่อย่างเดียวนี้สังคมเรานี่เยอะแยะเหลือเกินใช่ไหม ความชั่วเสียหายแก้ไขกำจัดเสียนี่สองและความเพียนที่สองอันที่หนึ่งนี่ถ้าเรียกว่าสังวรประทาพพนเพียรป้องกันนะเพียรป้องกัน ร, ระวังป้องกันสังวรประทานความเพียรในที่นี้ใช้คำวาพพ่าประทานแทนสังวรปพพระทานเพียรระวังป้องกันสองประหานประทานเพียรและกาจัดแก้ไขไหให้หมดไปทีนี้ เอาทีนี้ด้านบวกบ้างต่อไปก็คือเพียรสร้างสรรค์กุศลธรรมความดีที่ยังไม่เกิดให้เกิดมีขึ้ น, นอะไรที่มันยังไม่มีที่มันดีงามพวรจะมีก็สร้างสรรค์ขึ้นมานี่เป็นการเพียรสร้างสรรค์และท่านเรียกว่าภาวนาประทา น, นาเพียรในการทำให้เจริญขึ้นมาทาให้มีขึ้นมา อันนี้ก็สำคัญนะคนที่เป็นนักบริหารเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองควรจะเอาความเพียนสี่นี้ไปใช้เป็นหลักตอนนี้ความดีก็สร้างสรรค์ต่อไปข้อสี่นะสิ่งควาสิ่งดีงามความดีงามกุศลที่เกิดมีขึ้นแล้วต้องพยายามรักษานี่อีก เพราะว่าคนเราสร้างความดีพอมันมีความดีขึ้นมาแล้วบางทีมันเพลินตกอยู่ในความประมาทปล่อยก็เลยความเจริญความดีนั้นก็เสื่อมไปอันนั้นจะต้องเพียรพยายามที่จะรักษาไว้และทําให้งอกงามยิ่งขึ้นไปจนไภบูรณ์ท่านใช้คํานี้นะไม่ใช่ว่าเพียงรักษานะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดในบาลีท่านอธิบายไว้เสร็จบอกว่าทําให้เจริญยิ่งขึ้นไปพิโยท่านใช้คํานำวนะ่า พิโยจนจะถึงจนถึงไพ่บู์เลยจนไพ่บูนเลยนะจนกระทั่งถึงเวปุลละไพ่บูนเลยอันนั้นต้องทําให้มันเจริญจนเต็มที่อะไรเจริญแล้เจริญยิ่งขึ้นไปจนไพ่บูนอันนี้เรียกว่าอนุรักษนาประทานนะอนุรักษ์นั่นเองแปลว่าความเพียรในการอนุรักษ์นั้นจะต้องทําความเข้าใจคําว่าอนุรักษ์เนี่ยม่ใช่แค่รักษาแต่หมายถึงว่าให้มันเจริญต่อเนื่องไปแล้วก็ยิ่งขึ้นไปจนกระทั่ง เต็มเปี่ยมเป็นอะไรสี่ข้อนะนี่เป็นความเพียนก็เพียนอะไรก็เพียนไป้ะมันเข้าแนวเนี้ยนสี่อย่างเนี่ยเป็นมาตรฐานเป็นกรอบทวนอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสังวรประทานเพียนระวังป้องกันสองประห า, รระานาธิบดเพียนแก้ไขกาจัดเลิกละทำให้หมดไปสามภาวนาประทานเพียนสร้างสรรค์ ทำให้เกิดให้มีให้เป็นขึ้นมาและก็เสียอนุรักษณาประทานเพียรในการอนุรักษ์คือรักษาส่งเสริมทำให้เจริญยิ่งขึ้นไปจนภัยบูรณ์เต็มเปี่ยมนะเอาละครับนี่ก็หลักการสำคัญที่มันเกิดเกิดใจากในใจนะเพียรใจต้องเข้มแข็งมีกำลังใจสู้ไม่ท้อถอยอันนี้ถ้าทำได้อย่างนี้ทาเรียกว่าเป็นสัมมาวายามะนะเป็นความพยายามชอบนะ มันจะมาเป็นตัวหนุนในเจ้าพฤติกรรมเลยวาจาและการกระทําทางกายนี่ต้องมีไอ้เจ้าตัวเพียร น, นี้มาหนุนอยู่แล้วมันจะเดินหน้าไปสู่ความสําเร็จได้อ่าทีนี้ตัวนี้ก็ยังไม่พอท่านบอกว่าไอ้ตัวทํางานในใจอีกตัวสําคัญคือสติสติก็คือความระลึกความนึกได้อย่างที่ว่าแล้วเนีเป็นตัวที่ทําให้ตื่นตัวทันต่อสถานการณ์ นะมีความเพียรก็จริงแต่ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวสถานการณ์เป็นยังไงเวลานี้อะไรเกิดขึ้นอะไรไม่รู้จักฉวยประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นไม่รู้สถานการณ์ที่เป็นปัญหาไอ้ความเพียรก็ไม่รู้จะไปทํำยังไงมันทําไห้ถูกจุดถูกที่นะี่แล้วอะไรที่จะมาเป็นอุปสรรคแก่ความเพียรก็เลยไม่รู้ทันมันดังนั้นะต้องมีสติสติก็เหมือนกับตรวจตรานะี่เพราะว่า คอยระลึกขอยนึกว่ามีอะไรเกิดขึ้นเป็นไปจะส่งผลกระทบในทางบวกทางลบในทางร้ายมันจะทำให้เกิดผลเสียหายขึ้นในทางดีก็จะทำให้เราได้โอกาสในการสร้างสรรค์เพราะนั้นแต่เมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้นเป็นไปเนี่ยสติเอามาระลึกเอามานึกจับมาดูจับมาดูอยู่เรื่อยสตินี่จับมาดูจับมาดูแล้วก็ ถ้ามันจะก่อให้เกิดผลร้ายก็รีบป้องกันกําจัดใช้ความเพียรเข้ามาจัดการเลยใช่ไหมและก็ถ้ามันจะทําให้เกิดผลดีก็ฉวยโอกาสใช้โอกาสนั้นให้เป็นประโยชน์รีบทําสร้างสารรค์ซะจับเหตุปัจจัยที่ดีนั้นมาใช้ประโยชน์นีสติก็เป็นตัวที่ทันต่อสถานการณ์ตื่นตัวตลอดเวลาอันนี้ในชีวิตของเราเองนี่ท่านก็เรียกสสติปัญญาสตินี้มันจะต้อง มาจับมาคุมมาตรวจมาดูนะมาระลึกนึกถึงการความเป็นไปในทางกายของเราในการที่ว่าจะดำเนินชีวิตในการเคลื่อนไหวต่างๆให้มันถูกต้องไม่เกิดผลเสียหายแล้วให้มันเกิดปัญญาปัจจิมันก็จะช่วยหนุนปัญญาอย่างที่เคยพูดไปแล้วเรื่องของความรู้สึกความสุขความทุกข์ก็รู้เท่าทันตามฐานสติในกรณี น, น, นี้ก็มีสัมปชัญญะมาด้วยนะ จะพูดรวมๆกันไปเลยแล้วก็เรื่องของสภาพจิตใจของเราเป็นยังไงก็คอยคุมไม่ให้ฝ่ายร้ายเกิดขึ้นเอาให้มันมีแต่ฝ่ายดีเรื่องขวามคิดนึกเรื่องต่างๆที่เป็นไปในจิตใจของเราสารพัดเนี่ยก็ ร, รู้จับมันมาดูคอยดูคอยทันมันไว้แล้วก็ให้มันเป็นไปนในทางที่เกื้อนหนุนเป็นประโยชน์ให้มันส่งเสริมต่อปัญญา แต่ว่าเอามาใช้ในทางสังคมก็อย่างที่ว่ามันเป็นตัวที่ตรวจตราระมัดรองสถานการณ์และเป็นตัวที่ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์นก็เป็นผู้ตื่นตัวทันต่อเหตุการณ์อย่างที่ว่าไปเลวก็สติก็เป็นตัวสาคัญเมื่อสตินี้มันถูกต้องก็เรียกว่าเป็นสมมาสติก็เกื้อห น, นุนทำให้เราออกโรงมาสู่โลกในพฤติกรรมนี้ได้ผลดีใช่ไหมถ้าพฤติกรรมขาดสติก็เพ่งควางเลื่อนลอยไป ขาดทิศทางทีนี้ต่อไปก็สุดท้ายก็ความมั่นคงของจิตใจความสงบจิตใจที่แน่วแน่จิตใจที่อยู่กับสิ่งที่ต้องการนะ่ยไม่ฟุ้งซ่านไม่พล่อนะน่ยไม่กระสับกระสายไม่วอกแวกนะ่ยมันทําให้อยู่ในเป้าหมายอย่างแน่นอนนะ่ยทรงตัวไปอย่างมั่นคงเรียบเดินหน้าก็เดินไปอย่างสม่ําเสมอนะ่ยและมีความมั่นคง อันนี้ก็จะทำให้การทำงานการกระทำพฤติกรรมต่างๆทุกอย่างนี้ได้ผลดีไปสู่เป้าหมายหมดนะไม่มีอะไรเข้ามากูดได้นะตัดสิ่งที่จะทำให้เกิดความเสียหายปิดช่องทางร้ายได้ก็แฟด้านจิตใจนี้ก็จะมาเป็นตัวหนุนอยู่เบื้องหลังนะขาดไม่ได้เหมือนกันสามตัวนี้เป็นตัวสำคัญและไอคุณสมบัติอื่นก็เอามาใช้ตามสมควร เพราะไอ้มีเจ้าองค์ประกอบฝ่ายจิตยืนตัวเป็นตัวชูโรง3ามตัวนี่แหละก็ได้ความแมีวิริยะความเพียรให้เป็นสัมมาวายมะมีสติที่เป็นสัมมาสติแล้วก็มีสมาธิเป็นสัมมาสมาธิเนี่ยเอาให้สู่ทางที่มันเป็นไปเพื่อพัฒนาชีวิตเป็นต้นก็ครบองค์มรรคสข้อท้ายนี่เป็นด้านสมาธิหรือเป็นด้านจิตใจนั่นเอง การรวมความวันนี้ก็พูดเรื่องมรรคก็จบแล้วนะมรรคมีองค์แปดระการสองข้อแรกเป็นเรื่องปัญญาได้การสมาธิความเชื่อความเห็นความเข้าใจการยึดถือหลักการที่ถูกต้องเป็นไปเพื่อความดีงามและสอดคล้องกับความเป็นจริงทำให้เราเข้าถึงความจริงพัฒนาชีวิตของเราแล้วก็สองก็สมาสังกัปปะความดาริความตั้งใจ คิดมุ่งหมายต่างๆที่เป็นไปในทางที่พัฒนาชีวิตของตนเป็นไปในทางสร้างสรรค์โดยปราศจากความมุ่งหมายในทางที่จะเห็นแก่ตัวที่เป็นเนคขมัสังกปะแล้วก็ไม่เป็นไปด้วยการที่มุ่งร้ายเคียดแค้นชิงชังทําได้ความเกลียดชังคือเป็นอัพยาปาทสังกปะแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อขมเหงเบียดเบียนรังแกเขา ที่เรียกว่าเป็นอวิหิงสาสังกปะเมื่อสองข้อนี้ก็ได้เป็นด้านปัญญาเป็นฐานต่อไปก็ออกสู่พฤติกรรมการพฤติกรรมก็คือเป็นศีลอีกสข้อก็เป็นให้เป็นการกทําเป็นพฤติกรรมที่เป็นสมาวาจาปลอดจักวาจาที่เท็จโกหกหลอกลวงคือไม่มีมุตสาวาทแล้วก็เป็นวาจาที่ไม่สอดเสียดยุยงก่อความ แตกแยกนะแต่ว่าเป็นไม่เป็นปิสุนาวาจาแต่เป็นวาจาภาสาสามคัคคีสมานกันแล้วก็ไม่เป็นวาจาหยาบคายนะเรียกว่าไม่เป็นพุทุสวัจจาแต่เป็นวาจาที่สุภาพนะชวนให้หน่าฟังแล้วก็เป็นวาจาที่ไม่เพ้อเจอ้อไม่เหลวไหลไรสาระ ไม่เป็นสัมปะปะลาปะแต่เป็นวาจาที่มีเหตุมีผลประกอบด้วยประโยชน์เป็นต้นรู้จักการรู้จักเวลาพูดพอเหมาะพอดีแล้วก็นี่ด้านสัมมาวาจาก็จบแล้วก็ไปต่อไปด้านกายก็เป็นสัมมากัมมันตะเป็นการการกระทำหรือพฤติกรรมเป็นกิจกรรมที่ไม่ละเมิดไม่เบียดเบียนคนอื่นในทางชีวิตร่างกายแล้วก็ไม่เป็นปานาติบา ต่อมาก็สองก็คือไม่เป็นพฤติกรรมที่ละเมิดเบียดเบียนผู้อื่นในทางทรัพย์สินเงินทองเครื่องเลี้ยงชีพของเขาแล้วก็ไม่เป็นอัินาทานแล้วก็สมไม่เป็นการละเมิดเบียดเบียนผู้อื่นในเรื่องของคู่ครองของรักขงแหนของเขาไม่เป็นการไม่สมิชฉาจาร น, นะฮะและจะทํำลายอะไรให้เป็นไปนในทางพัฒนาสร้างสรรค์ แล้วต่อไปนี่หมดบดศีลแล้วสามข้อสัมมาวาจ a าสัมมากัมมันตะอ๋อแล้วก็อีกข้อสัมมาอาชีวะก็คือเลี้ยงชีพในประกอบอาชีพในทางที่ว่าไม่เป็นการเบียดเบียนก่อความเดือดร้อนผู้อื่นหรือสังคมแต่เป็นอาชีพที่ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ชีวิตหรือสังคมช่วยสร้างสรรค์ทำให้เกิดประโยชน์สุข แล้วก็เป็นอาชีพที่เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตของตนเองเอาอาชีพนั้นมาใช้เป็นแดนพัฒนาชีวิตของตนเองก็ตกลงว่าจบศีลสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสม า, าชีวะสามข้อต่อไปก็หมดสุดท้ายเป็นตัวด้านจิตใจที่เป็นพื้นฐานอยู่ข้างในทําให้เป็นแรงจูงใจเป็นฐานของความตั้งใจเป็นตัวเจตจํานงแล้วก็เป็นพลังก็ให้มีจิตใจที่ประกอบด้วย วายามะหรือวิริยะความเพียรที่ถูกต้องเป็นความเพียรทั้งในแง่ของการป้องกันความชั่วร้ายเสียหายและก็กําจัดแก้ไขแล้วก็ทั้งในทางสร้างสรรค์ความดีงามรักษาความดีงามให้เจริญจนไพบูรเรียกว่าสังวรประทานปหานาประทานภาวนาประทานอนุรักษณาประทานสอันนี้ก็เป็นสัมมาวายามะนอกจากสัมมาวายามะความเพียรถูกต้องก็ให้จิตใจนี้ มีสติคอยกำกับคอยตื่นตัวทานต่อสถานการณ์จับเอาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมาที่จะส่งผลกระทบในทางดีทางร้ายต่อชีวิตสังคมนี้มาพิจารณาตรวจสอบแล้วก็แก้ไขป้องกันส่งเสริมไปตามเหตุตามผลด้วยปัญญานอันนี้ก็เป็นสมาสติแล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นแกนเป็นประธานอยู่ก็คือมีสมาธิ มีจิตใจที่สงบมั่นคงแ น, แน่แน่ต่อสิ่งที่กระทำไม่วอกแวกไม่ฟุง้งซ่านไม่พลาไม่สายไปก็ทำให้มีความสม่าเสมอและเดินหน้าไปได้ดีในทิศ ท, ทางที่ประสงค์ไปสู่จุดหมายก็เป็นสัมมาสมาธิก็จกด้านจิตสามประการสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็ครบองแปดประการก็เป็นมรคคือทางดาเนินชีวิตที่ดีงามถูกต้อง ก็ถือว่าวันนี้จบเรื่องมรรคมีองค์แปดนะฮะ